การเริ่มปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเรียนหนังสือที่แรกเต็มไปด้วยความขี้เกียจพ่อแม่บังคับบัญชาร้องห่มร้องไห้ออไม่อยากเรียนยิ่งกว่าความอยากสนุกเพราะความสนุกถือเป็นความชอบของเด็กมากไม่ว่าเด็กใดๆก็เหมือนกันหมดเรื่องความเล่นความสนุกนี่เด็กชอบ แต่ผลที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทํานั้นเด็กไม่ได้คํานึงเมื่อพ่อแม่สั่งให้หยุบบอกให้ไปโรงน้าโรงเรียนเด็กมันก็อยากไปฟื้นบางทีขโมยหนีทะเลถลายไปไหนก็ไม่รู้เนะี่ยเพราะเด็กยังไม่เห็นผลของการเรียนอนาคตเด็กไม่เคยพลาดเรื่องของตัวเองเป็นยังไงที่จะเป็นไปงานอนาคตเด็กไม่สนใจยิ่งไปกว่ากาัน ชอบเล่นชอบสนกสนานตามภาษาของเด็กตอนนั้นจนกว่าจะเติบโตขึ้นมาแล้วค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นเรื่อยๆแล้วมองเห็นผลจากการศึกษาเรียนมาบ้างและพอแม่นัครูนักข่ายๆอพอรบรวมสั่งสอนที่เหตุที่ผลทางความดีความชั่ว ความเลียงไหลหรือความมีหลักฐานมั่นคงกว่าความรู้วิชาที่จะเป็นเมื่อเป็นหนังในอนาคตเมือ่อเตโตขึ้นมาเด็กก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วพยายามศึกษาเราเียนและทำหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจเมื่อทั้งมาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้ว จะไปเป็นอย่างเด็กนั้นเป็นไม่ได้ไเพราะเหตุผลนึกความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองด้นะานอนาคตของตัวเองลนะตองลอครอบครัวซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี้ต้องมีครอบครัวจะไปทำแบบเด็กนั้นทำไม่ได้มันจะจนเกาบจนมุมที่เกียวก็ไม่ได้ต้องทำเพราะเหตุผลบังคับให้ทำนี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามลาดับลาดาผลงานนั้นก็เป็นเครื่อง พยุงจิตใจให้มีความขายันหมั่นเพียรในหน้าที่ผลงานนั้นขึ้นไปเป็นลำดับบางทีเราเกี่ยวกรวับยศถาบรรดาศักข์เขาอีกแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีน้อยนักที่จะเกิดเป็นความตั้งใจขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆ ในการปฏิบัติเบื้องต้นแม้จะมีความเชื่อความน้อมใส่ในศาสนาอยู่ก็ตามแต่การปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นความฝ่าฟืที่ภายใ น, นจิตใจของตนอยู่นั่นแหละหากมีเหตุมีผลพอเป็นถูถายกันไปได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องจิตแม้จะมีเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่มันก็ต้องถลเเละถลายเช่นเดียวกับเด็กเหมือนกันพอยังไม่เห็นเหตุเห็นผลในการพฤทธปฏิบัติซึ่งประจักกับใจให้เกิดความสนใจขึ้นมา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 แต่เมื่อเรารับนับถือแล้วกับเป็นสมบัติของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราบังคับตัวของเรานี่แลในการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อละเพื่อตอบถอนิเฉลีเพื่อความร่มเย็นเป็นสุพภาณใจิตใจเพื่อความเฉียวฉลาดตลอดถึงการตอดถ อ, อนิเฉลีไปรื่ดับหลังที่เราคาดไว้น่ินมมุตพระนิพพานเป็นต้นเนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนียย่ยวจิตใจของเราหนึ่งที่จะให้เกิดความมุสาพยายามตะเกียบตะกายแม้จะลำบากลำบนเพียงไรก็ตาม เขียทิศทางเดิมที่เราตั้งไว้แล้วอย่างนั้นยังต้องมันต้องตะเกียบตะกายไปจนได้เบ า, างท่านที่จิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคําว่าจะไปพระนิพพานในกิเลสมันโหขัดมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันฆ่าเราคิดพิรุธคิดผายมันไม่ยอมให้ไปนี้กิเลสมันก็เป็นนามธรรมามันอยู่ภายจิตใจเป็นอีกอย่างว่าทําการจิตคว้างภายจิตใจ แต่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะต้องหาเรื่องหาลามมาทําการกีดขวางให้เป็นอุปสรรคนั้นอุปสรรคนี้จนกระทั่งเราผ่านไปได้ด้วยเหตุผลของเราจริงๆมันถึงจะเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องล้มไปตามเขาต่พาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมคือภาวนาต้องใช้ความอุตสาหพยายามย่อมลุกคุกคกานก็ตาม ถ้เปลียดจะกายไปจนได้อ่าวันนี้กิจมันดื้ออับดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานกิจ ต, ตัวดือด้อนั่นเองนะคือปัญญาของเราต้องช้าอย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรมานแม้แต่ศัต ร, ร์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดือ้อไปดูด่าว่ากล่าวเขาทําไมคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทําผิดดูด่ดาว่ากล่าวกันทํำไมนี่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 พรเราทราบแล้วว่าจิตของเราพยศจิตของเราดื้อด้าน่แล้วเราจะทําอย่างอย่างไรจิตั้งเราถึงจะสงบตัวลงได้นี่เราก็ทราบเหตุผลใ น, ในตอนในเรื่องนี้คือต้องฝึกต้องทรมานต้องบังคับบัญชาเอากันเต็มหนิวที่เรียก เ, เมื่อจิตมันผ่าผลด้วยอํานาจของกิเลสเราก็ผ่าผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพักพ ความชนะเป็นทัพพักนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่ปรากฏขึ้นม า, ากรจับคือจิตหมอบลงไปจิตสงบลงไปด้วยอานาจแห่งอุบายของการปราบปรามหรือการเทอร์มานติตใจนี่เป็นตักขิพยานขึ้นมาเป็นระยะระยะที่ชนะมันเป็นทัพพักไปผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนี้นี่แลที่เป็นเหตุให้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 เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระพุทธเจา้าขันติเอามาใช้วิริยะเอามาสนับสนุนสติปัญญาไม่ล้นละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราฟาดฟันลงไปยิเลย จ, จะหาอวัยแสดงปัญยาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบยิเลต้องนำมาปราบจนได้ปราบยิเลไม่ได้เราแพ้ คนที่แพ้อยู่ที่ไหนมันสบายที่ไหนแม้แต่กีฬาการกีฬาแพ้เขายัางไม่สบายเลยอืยิ่งแทมเปียดได้ขึ้นแพ้นบนเวทีด้วยแล้วลือลั่นทั่วโลกเนี่ยไอ้เรานี่ขึ้นเวทีแล้วที่จะต่อสู้กับกิเลสเวลานี้แล้วเราแพ้กิเลสมันเป็นของดีแล้วเหรอนี่เป็นอุบายสติปัญญาของเราที่จะนํามาสู้กับกิเลสเอาจนถึงความชนะไปได้การแพ้ไม่ใช่ของดี นอกจากความชนะพระพุทธเจ้าชนะถึงได้เป็นศาสดาของโลกสาวกท่านชนะถึงได้เป็นศาสดาถึงได้เป็นสถานะของพวกเราธรรมจึงได้ปรากฏขึ้นในโลกเพระพาะความชนะเนี่ยแล้วธรรมที่จะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราเพราะความแท้มีอย่างเห่อขัดกันกับศาสนาธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้และอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้ า, าทรงพานำนินมามันขัดกันนะแล้วต้องนำํำมา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 กำลังวังชาทุกด้านทุ่มกันลงไปจนกระทั่งกิเลสหมอบราบนั่นแลคือมัจจิ ม, มาเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนี่นี่แหละมัจจิ ม, มาพระพุทธเจ้าแม้แต่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขายังมีเครื่องมือมากมายกายกลังเป็นลำรถลำรถที่ดือ้อเขาทำไมไม่มีเครื่องมือเพียงอันเดียวอันนี้เครื่องมือปราบกิเลสภารกิจจใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทนะ่ะมีกี่ชนิด ม่ใช่จะนอนหมอบล่าให้เราตีให้เราฟันให้เราฆ่ามันตายละเนรเราหน่ายตลอดเวลาดีไม่ดีเข้าไปมันฟันเราซะก่อนแล้วถ้าเข้าไปยังไม่ถึงเขียดแดนของมันเลยมันออกมาดักฆ่าเราอยู่ปากทางอยู่แล้วตายพี่นาสัตตโลไปหมดนะเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเราจะทําอย่างง่ายๆทํายทอย่างสบายสบายแบบมัชฌิมาของกิเลสมันไม่ได้มัชฌิมาของกิเลสมีแต่วความอ่อนแอมีแต่วความยอมตามมีแต่วความจำนอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาของกิเลสมันชอบที่สุด แต่มัทิตมะเองทําแล้วกิเลสจะหมอบลาบไปด้วยวิธีใดเอาวิธีนั้นมาใช้เป็นก็ตามตายก็ตามโลกนี้มีประชา้าอยู่ทุกร่างทุกกายเขาก็ตายเราก็ตายตายไม่มีเกียรติตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความทอแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายตนกประปรตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักศีลศาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกับนามเือว่าพุทธทางสะนางกระฉาณนี้แล้วเอาพระพุทธเจ้าเข้ามา เป็นคงชัยปราปรามทิเลต จ, จนได้รับชัยชนะขึ้นมาเป็นพักๆนี่เรียกว่ามัจฉิมาเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละมัจฉิมากิเลตผาดผลมัจฉิมาผาด ผ, ผลเอาให้ถึงกันถึงกันทิเลตละเอียดลงไปมัจฉิมาละเอียดกิเลตแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัจฉิมาได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นตามต้อนทันทันกันโดยลำดับๆเอาให้ที่นาศไปหมดไม่มีเหลือเลย เห็นละในระยะต้นๆที่เราฝึออกอบรมต้องมีความยากความลําบากลําบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่เหลี่ยมแหลมคมยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยพายในจิตใจไม่เราประกอบความภาคความเพียรด้วยความตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยมันทําให้ล่มทางนั้นทําให้เองทางนี้อยู่นั่นแหละเราให้ทราบว่าสิ่งห น, นึได้ที่จะเป็นภัยต่อความดีนั่นนะ่ะคือกิเลสทั้งหมด เราอยากเขาเ้าใจวิริเลศมันตั้งพอ่ออยู่ที่ไหนมันตั้งพอ่ออมที่หัวใจเราขณะที่เราเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่จะทําความดีนั่นแหละกิริเลศมันจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันจะคึกคักตื่นขึ้นทันทีเราไม่ต้องไปปลูกมันแหละพอคิดว่าจะสร้างกุ ง, งามความดีฮะวิริยเลศมันจะตั้งข่าศึกเราแล้วแล้วปราบเราอยู่หมัดด้วยนี่ว่าจะไปอย่างนั้นนะครับเออจะไปทําบุญทำทานไปรักษาจิตภาวนานะมันจะต้องหาอวัยวะมาไม่ได้นะ ต้องงานอย่างนั้นต้องงานอย่างนี้ยุ่ ง, งนะยุ่งอย่างนี้กว่าจะลําบากลําบนอะไรอดเ ข, าข้าคําเข้าเย็นนักษาศีลนักธรรมไม่เหลสะดวกสบายเหมือนยุ่งไปหมดเลยมันหลอกเราตอนที่เราจังไม่เห็นผลก็ต้องยอมมันเนี่ยเพราะเราเคยเชื่อมันมานานแล้วทีนี้พอเราเป็นนักต่อสู้เช่นภาวนาต่อสู้กับสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ควรให้เราวุ่นวายอยู่ ตลอดเวลานี่ให้เกิดความสงบขึ้นมาผลคือความเย็นใจออกมาจากความสงบความเย็นใจความสบายใจแล้วปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาภายในตนทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยคิดว่าจิตใจของเรามีคุณค่าตัวเรามีคุณค่ามีแต่ความรุ่มร้อนหาแต่ที่เกาะหาแต่ที่อาศัยอัตยตโนานาโถตัมีที่พึ่งของตนไม่สนใจเลยมีแต่พึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรก็ไม่ทราบพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่ง วันพึ่งไปร่ำเวลาพึ่งสมบัติประฐานพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งบูกพึ่งหลานคิดไปพึ่งไปหมดที่จะพยายามพึ่งตนเองนั้นมันไม่คิดนี่เวลาเราได้สร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจของเหล่านี้เป็นอัธยาศิลป์อนุทโธขึ้นมาแล้วที่เราไม่ได้คาดคิดอ๋อนี่เป็นที่พึ่งมีความเย็นมีความสบายหายว่าเวที่จะ พึ่งโน่นพึ่งนี้พอได้หลักขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าอัตติปนนาโถได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจากความเพียรของเราเป็นผลขึ้นมาแล้วพอจากระยะนั้นไปแล้วความมุสาพย า, ยามันมาเองมาเรื่อยๆพอเห็นผลมีต้นทุนอยู่แล้วนี่จะค้าจะขายก็พอเป็นไปเพราะมีต้นทุนจะประกอบความาเพียรหนักเบาแค่ไหนต้นทุนของเราคือความสงบป็นใจที่เห็นผลประจักษ์อยู่แล้วนี้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนภายในจิตใจแล้วก็เริ่มพยายามโดยลํำดับ อา้าวทาให้มีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและอศัศจรรย์เห็นหลักเห็นเกณฑ์เห็นที่พึ่งของใจโดยลําดับลําดับแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำหดักแน่ทีนี้ความเพียงเริ่มเริ่มแล้วทีรู้หน้าที่การงานของตนทํากิจการงานในดอยู่ก็ตามพอถึงเวลาที่เกควรบําเพ็ญเอาทิงเอาจางังมันปล่อยทันทีเลยทําไมถึงปล่อยได้แต่ก่อนทําไมมันมันยุ่งมันยุ่งแล้วทําไมมันปล่อยได้คนคนนั่นแท้แท้เวลามเวลาก็ เป็นเวลาอันเก่ามือแก่งอันเก่าทําไมเวลานี้มันปล่อยได้เวลาแต่ ก, ก่อนมันปล่อยไม่ได้เพราะเหตุอะไรมันก็เพราะกิเลสนั่นแหละสร้างความสร้างหนามให้เหยียบให้ตาเท้ามันเดินไปไม่ได้ก็อนอนค้างอยู่นั่นแหละไม่ว่างเลยใหพอถอดเสี้ยนตอนน้ำคือกิเลสตัวมปนอุปสรรคนั้นออกแล้วก็ก้าวไปได้ก้าวไปได้เราทําได้ถึงเวลาเวลาแล้วใครจะมาห้ามมัได้เมื่อเวลาเราจะตาย ใ, ใครจะมาห้ามเราได้มันยังตายได้หากว่ามันไม่ีเวลาว่างเลยทําไมเวลาตายมันถึงว่างได้ก็เวลาถ้าทำความภาคเพียรทําไมมันไม่ว่าง นี่อุบายวิธีแก้เจ้าของว่างตอนนี้หละเราตายแล้วไม่ว่างอ่ะไม่ว่างไงมันไม่ว่างที่จะให้ทําความเพียรเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดเยัง ม, มีชีวิตอยู่นี่นี่ยแค่อย่างนี้เรียกว่าอุบายเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสกิเลสที่มาก่อกวนที่มาทําการกีดขวางแก้ด้วยวิธีนี้ผลก็ปรากฏขึ้นมาเย็นใจสบายออเยน็นเพียงสมาธิเท่านั้นก็ เห็นคุณค่าของตอนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเปลี่ยนของตอนเป็นลำลำหนับลําดาอ้าวพิจารณาที่ทางด้านปัญญามีความสงบครั้นี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วอ้าวปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วสงสารนี่เป็นไรอือโลกมันมีอะไรคำว่านิจังทุกหน้าตานี่ต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มเรื อ, อนิจังทุกหน้าตาในใจของเราก็เช่นนั้นทุกขณะกิจที่มันแสดงออกล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของใจรัก ธาตุขันลุนแล้วตั้งแต่ปลายลับพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงโลกนี้ตระหนักกว้างแสนกว้างกว้างอะไรมั่งพิจารณาแล้วแท้ฮะมันกว้างพื้ที่ไหนเราไปเกี่ยวข้องอะไรไปยุ่งเหยิงอะไรกับมันมันถึงกว้างมันกว้างอยู่ที่จิตใจไปเที่ยววุ่นวายมันเองจิตใจนี่ตัวยุ่งตัววุ่นตัวเที่ยวกว้างน้นกว่านี้เอาไปก็มาเผาตัวเองมันก็กว้างอยู่บางเวลามันแคบแคบู่ที่ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างแล้วโลกกว้างแสนกว้างไม่มีที่อยู่เลยเป็นไฟไปหมดนี่ แต่ ว, ว่าโลกมันกว้างมันไม่เน้กว้างมันมาคับแคบที่จิตใจติดกันที่หยุดใจล้อมอยู่ที่จิจตใจพร้อมจะสร้างความกว้างขวางออกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาไปตรงไหนรู้สิไม่ว่ารูปชนิดไหนต้นไม้ภูเขาตุกตามบ้านท่องกี่ท่านกี่หัอก็าตามเถ อ, อะมันพินาศทิพไพรลงไปหมดจะสร้างไปจากกี่พันชัน้นอ่าว มันก็ออกประจานอิจจากปูนจากหินจากทรายนั้นเองแล้วไปหลงอะไรมันอืมกี่พันชั้นมันก็คืออิจคือปูนคือหินคือทายคือเดล็กอะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เองแล้วไปตื่นอะไรมันนี่การพิจารณาด้วยปัญญาคนเราก็คนเขาก็คนตื่นอะไรกันเนี่ยเสียงเราก็เสียงเราก็มีเสียงเขาก็ามีเสียงตื่นอะไรกลิ่นเราก็มีกลิ่นเขาก็มีกลิ่นตื่นอะไรกั น, นรสเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรถอะไรบ้างเราก็รู้แล้วตื่นรถอะไรอีกเนี่ย เครื่องสัมผัสสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ยังไม่หายตื่นเลยหรอือวะตืน่นอะไรอารมณ์เครื่องยอโยโยวนภายนจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงเรื่องเครื่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วตื่นมาอะไรอีนี่กวางไอาจางทุก ข, งขางตาพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึง้งถ้าซึ้งน่ะเรียกว่าชาัดชันน้ำมันปล่อยความที่เกี่ยวข้อง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 ก็เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความทําการผิดตั้งตนด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญามันก็เบาปล่อยไปได้ปล่อยได้ปล่อยได้ความกังวลนั้นก็ไม่มีคนเราเมื่อไม่มีกังวลมารบกวนจิตใจมันก็สบายเหมือนกัหน้า ม, มันมีอะไรกวนมันก็ใสสะอาดไงถ้ามีอะไรกวนแม้แต่ไม่มีตะกอนหยุดก้นเลยมันยังขึ้นฟองได้แปลว่าอะไร จิตใจยิ่งก่อความต้อเดียนอยู่ตลอดเวลาเด้วยความโง่เขลาว่าปัญหาด้วยแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนก็อยู่ไหนก็ไปอยู่เธอถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อกวาจิตใจให้เดือดร้อนมันวายตลอดเวลาแล้วมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนเว่าอะไรแล้วจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เยน็นมันเย็นที่ใจนี่เท่านั้นในเมื่อเราแก้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 เป็นขั้นขั้นถอดเอาโดยลําดับลํำดับลํา ด, ดับเหมือนทั้งที่ท่านสวดถอนโบดนั่นเองนี่ท่านทําเป็นอุบายสาคัญมากเพียท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนอย่างไงเราเคยเห็นท่านถูกพระที่มาท่านสวดถอนซะก่ออนพระสงฆ์มาจํานวนมากมาดินเป็นแถวแลสวด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 เมื่อเราถอดถอนสิ่งต่างๆทางรูปทางเสียงสีนสดเครื่องสัมผัสกว้างแคบซึ่งิีบมันไปสําคัญนั้นหมายกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นเหตุเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถอนความยึดมั่นถึงมั่นเข้ามาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งเข้ามาถึงาธาตุขันของตัวเองมีเป็นสิ่งสําคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้นอืึเรื่องร่างกายของเรานี่มันมีความจริงดุทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เคยปลอมมันปลอมแต่ความรู้ความเห็นของเราที่ไปสําคัญเขาไปหา ตำหนิตดดีเตียนเขาเป็นอย่างนั้ น, นชงเขาเป็นอย่างนี้นี่คือผู้ผิดผิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งร่ำลั่นเขาอยู่เฉยๆเขาไม่มีอะไรแต่เราก็ไปยึดไปถือเขาแล้วไปตำหนิเขาไปชมเขาความตีก็ดีความชมก็ดีมันก็เกิดจากใจของผู้สําคัญผิดตั้งนี่แน่แล้วผลมันก็เกิดขึ้นที่นี่ความยิ่งเยือกวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นี่พราะงั้นจึงต้องพิจารณาให้มันทราบทั้งภายนอกคือส่วนร่างกายคือพวกขันทราบทั้งภายในคือเรื่องของผิดล้วน พิจาาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนร่างกายของเรานี่มันจะตั้งอยู่ได้แ น, น่หนาถ้าวอ่อนมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสายจันทร์ทุกนาทายุดตลอดเวลาทุกเอีย่ยบอดแม้แต่หลับมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันไปตามเดือนปีนาทีมุมเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็หมุนไปนของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจอยู่ได้อย่างไร ต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของเขาเพื่อจะถอดถอนเหมือนกับว่าไฟมันไหม้ก็ลูกรามเข้ามาลูกรามเข้ามาจนกระทั่งถ้าถึงบ้านอยู่แล้วเรายังไม่รีบผลของออกเหรือถ้าเราไม่อยากให้ให้ไฟมันไหม้จนเป็นเท่าเรื่นงฐานไปแล้วเราก็ควรรีบผลของออกมาออกจากบ้านเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไหม้รอบหมดแล้วเนี่ยจะทําไงแล้วรีบผลของออกเสียตั้งแต่ไฟยังไม่มาถึงอันนี้ก็รีบผลของสมบัติคือความเฉลียวฉลาดทําสร้างให้พอ เรายังจะไปยึดไปถือมันอยู่เหรอไฟจะไม้อยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปล่อยปลอยอ่าสติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนอนเรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากําหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลําดับลําดับฮะรูปจะเป็นสมบัติอันหนึ่งไฟมันกระจายกำลังไหมอันนี้จะทุกขังหน้าตามันไหมตลอดเวลาพยายามพิจารณาเอาปล่อยลงไปอืรูปนั่นก็คือก็คือธาตุดินนั่นเอง เอาดินมาแบกว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรอดินทั้งแผ่นมาแบกเป็นตนเอายกบินดินทั้งแผ่นนี้มาแบกไม่ได้ก็ยกออกมาขนาดรูปกายอนหนึ่งนี่มาแบกมันหนักขนาดไหนือพายืนพาเดินพานั่งพานอนนี้ไม่ใช่เพราะความหนักนั่นเหลอหนักด้วยความหิวความหงอยความไม่สะดวกสบายกายเจ็บท้องปวดหัวล้วนแล้วตแต่ความหนักน่วงท่วงจิตใจทั้งนั้นเราจะไม่เห็นโทษทั้งมันอยู่หรือแผ่นดินก้อนนี้มันก็หนักขนาดนี้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 เขไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเฉพาะเจ้าตัวรู้นะี่เนี่ยมันพาให้หลงก็เพราะความรู้เนี่ยรู้ไม่จริงท่านที่เรียกว่าอาวิชชารู้งงๆเดาๆไปงั่นแหะก็คือความรู้ที่เป็นอวิชชานี่แหละพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วซ้ำๆซากๆให้เป็นความสนิทติดใจซึ่งใจแล้วมันจะปล่อยเองถ้าพิจารณายังไม่พอไม่ปล่อย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 มันมีอะไรที่ควรจะแบกจะหามเป็นตนเป็นตัวของเราดินทั้งก้อนอยู่ในร่างกายนี้เป็นก้อนดินเราก็ทราบชัดๆแล้วด้วยปัญญาเอาปล่อยปล่อยทางอุปท า, านถึงจะรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยทางด้านจิตใจจะเป็นความถูกความสบายเวทนาก็ให้รู้เรื่องของมันฮะนันเป็นสัจตร์ารทเป็นความจรงิงอย่าไปเสกสรรมามันเป็นอย่างนั้ง น, นี้มันจะปลอมใจของเรามันปลอมสัาจะทำเป็นของจรงิงแต่ใจมันปลอมมันก็เป็นถูกได้เนี่ย เนื้อธนา ม, มีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีทั้งส่วนร่างกายมีทั้งด้านจิตใจมีนายเห็นชัดอ่สัญญาเนี่ยตัวสําคัญสังขารยกให้สัญญายึดมั่นนี่สังขารยื่นให้สัญญายึดมัน่นยึดมัน่นกวาดเข้ามากวาดเ ข, าดข้ขาขมาฝังภาระจิตใจมีตั้งแต่เสี้ยนแต่หนามเต็มไปภาระจิตใจจนหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งทุกข์ ความต้องการนั่นหมายว่านี่ wow. มันทิ่มแทงพนากิจใจจนแหละมอดฮเล่นยานรับทราบขนาดที่สิ่งมาสัมผัสยับย็บยยบเท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบปั๊บดับพร้อมอะไรมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมมาเป็นตนน <c oughs> มยางเลอแน่ง<ไ>่ายง่ายชัด ใครมันไปหลงไปงม ง, งา ย, ยู่กับสิ่งมันนีถ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชชาครอบหัวมันอยู่นั้นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปตัวนั้นนหละตัวหลงจริงๆรากให้เห็นความหลงจริงคือใจเพราะฉะนั้นใจจึงต้องรับแต่ทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากไหนความปรุงปุงมาจากไหนสัญญาหมายม า, ากันไหนหมายมาจากใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ น, นดับตรงไปที่นั่น อะไรๆเกิดที่นั่นดับไปที่นั่นราคแก้มันไม่ดับมันก็ขักดันออกมาให้เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆนั่นอา้าวพี่นางไปใจนี่มันก็เหมือนหัวเปือกหัวมันเวลามันยังสดๆยังไม่ไต้มเนี่ยหัวเปือกของมันแม้จะเป็นของควรแก่อาหารก็าตามเ้ามอนไม่สุกมันก็เป็นของเป็นเป็นพิษนี่ มันจะควรเป็นอาหารได้อย่างไรในขณะที่มันยังสดๆเวลานี้จิตมันก็เป็นเช่นนั้นมันยังไม่ควรจะความนอนใจเป็นความสูกกันสมบูรณ์ได้เพราะมันเจอยด้วยยาพิษมีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวข้ของมันที่เจอด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดทีนีเมื่อจืดหมดแล้วพิษภัยในมันก็ถูกขับไล่อหมดจากด้วยความร้อนก็เหลือแต่รดธรรมชาติของมันเช่นเผือก อรับทานลงไป อ, อร่อยและอร่อยไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษนี่เป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองจิตใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซากออมออกด้วยตะปะธรรมคือความเพียรแผดเผาที่เลือดซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รสธรรมชาติของจิตแท้นั่นแลท่านว่าอมอตังรสแห่งธรรมก็คือรสของใจที่บริสุทธิ์ ด, ด้วนล้วนมีอยู่ภายในใจรส แห่งธรรมชำนะถึงรถทั้งปวงมันชำนะที่นั่นคือมันปรากฏขึ้นที่ใจรถแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจเพราะอานาจของสติปัญญาขับไล่พิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจนั้นออกหมดเหลือแต่รถธรรมชาติล้วนๆท่านว่าปรามังสุขขังทนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งทนิพานอยู่ที่ไหนและใครที่ติดคุกติดตารางด้วยกิเลสปัญหาจองจํำอยู่ตลอดเวลานั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจ เมื่อใจได้ปวดเพื่องออกมาเป็นอิสระจากที่เหลือตันหันแล้วใครจะเป็นเป็นผู้พ้นโทษใครไม่พ้นโทษเราจะเรียกคุณนั้นเป็นนิพพานจะผิดที่ตรงไหนเนี่ยนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งนิพพานนางปรมาหมสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่พ้นจากกิเลสแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใจที่หมักมมอยู่กักิเลสแล้วเป็นใจที่ทุกข์อย่างยิ่งนั่นว่าไง ม, มีอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนแล้วหลงนิพพานไปไหนเวลานี้ ว่าภาพนิพพานนู่นว่าดภาพนิพพานนีวนน่ว่าดประธานมายุ่งไปหมดเพราะมันหลอกตัวเองเอาให้ถึงความจริงพระเจ้าท่านสอนจริงถ้านไม่สอนหลอกลวงให้มันเห็นความจริงของนิพพานคืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพพานไม่เรียกไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดเพราะตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกระวังสุขขังระวังสุ ข, ขังก็คือจิตดวงที่พ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายโดยสิ้นถึงแล้วนั่นแหละ เป็นกิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นปรมามังสุขขังอย่างเต็นดวงทีเดียวมีอยู่เพียงแค่นี้แล้วความรู้ที่รู้รอยู่เวลานี้แหละที่จะเป็นปรมามังสุขขงังเวลานี้กําลังถูกกดถ่วงเรากําลังชํางละเรากําลังซักพอกเรากําลังขับไล่มเพื่อความภาคความเพียรทั้งเราโดวยวิธีต่างๆตามจิตวิสัยความสามารถของแต่ละหลายหลายไว้ทําความพยายาม เห็นคุณค่าซึ่งมีอยู่ภายในตัวเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถูกทับผมด้วยสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้นอกจากเป็นโทษเท่านั้นจิตจึงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดได้สักการ์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากําลังบุกเบิดสิ่งที่ปิดบังที่ปิดบังจิตใจไม่เห็นความจริงขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ตามกําลังของธรรมะของเรา คำว่าสุขในขั้นใดๆนใั้นเราจะไม่ถามที่ไหนนอกไปจากใจของเราที่รู้อยู่โดยลำพัตงตัวเองเท่านั้นจนกระทั่งถึงปรมังสุขขงังจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามที่ไหนว่าถึงความจริงแล้วไม่ถามว่าถึงความจริงแล้วไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาประโหหยชน์อะไรความอยากคือความบกพร่องไม่ใช่หรือความหิวโหยเป็นของดีหรือความอยากไปนิพพานนนั้มันก็คือความหิวนั่นแหละความบกพร่องนั่นแหละมันถึงยาก เมื่ออิ่มแล้วมันจะอะไรจะอยากไม่ยาหวานกว่าแล้วคาวกว่าแล้วอันนี้อร่อยขนาดไหนที่ไปรับทานมามันก็ไม่ยาเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วธาตุขันพอแล้วรับมไม่ดีกนี่กินเมื่อพอตัวทําพอตัวภารกิจแล้วคําว่านิพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรและรู้ด้วยว่านิพานคืออะไรนี่มันกป็นเท่านั้นอาระเอว่า